วันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษานี้ก็เป็นการเจริญปัญญาซึ่งมีอยู่สามระดับด้วยกันหรือสามขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสุตมะยปัญญา คือการศึกษาที่ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านหนังสือแล้วขั้นปัญญาขั้นที่สองก็คือจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคายครวนพิจารณาอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการทําการบ้าน สุดามยปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับการเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์เมื่อเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ให้เอากลับไปทำที่บ้านต่อเรียกว่ า, าไปทำการบ้านเราได้ยินได้ฟังทำในวันนี้แล้วเราก็เอาทำที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปเจริญต่อ ไปพิจารณาต่อเพราะว่าถ้าเราไม่เจริญไม่พิจารณาเราก็จะลืมเพราะชีวิตของเรานี้มีเรื่องราวมากมายที่เราต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลาพอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังในห้องเรียนที่เราได้ยินจากการฟังเทศฟังธรรม เราไปทำภารกิจต่างๆธรรมที่เราได้ยินก็จะจางหายไปถ้าเราอยากจะรักษาธรรมที่เราได้ยินไว้เราก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วธรรมก็จะอยู่ภายในใจแต่ธรรมทั้งสองระดับนี้คือสุตตมยจปัญญาและจินตมัจจปัญญา ยังไม่มีกำลังพอที่จะเอามาทำประโยชน์ได้คือประโยชน์ที่เราต้องการจากการเจริญปัญญาทางพระพุทธศาสนาก็เพื่อหยุดความอยากต่างๆดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองการที่เราจะมีอ่ สามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆภายในใจเราได้เราต้องมีภาวนาไมยปัญญาอันนี้เป็นปัญญาระดับที่สามภาวนาไมยปัญญาก็คือภาวนาที่ปัญญาที่ที่มีสมถ ภ, ภาวนาเป็นผู้สนับสนุน ถ้าเราไม่มีสมถะภาวนาก็คือความสงบเราจะไม่มีอุเบกขาที่จะหยุดความอยากได้อุเบกขาก็คือการอยู่เฉยๆรู้เฉยๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ไม่ได้ไม่ทำตามความอยากถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ พอเกิดความอยากแล้วก็ต้องไปทำตามความอยากเพราะเวลาที่เกิดความอยากมีความาทุกข์ทรมานใจถ้าไม่ทำตามความอยากความทุกข์ทรมานใจนั้นก็จะไม่หายไปถ้าไปทำตามความอยากความทุกข์ทรมานใจนั้นก็จะหายไปชั่วคราว แต่เดี๋ยวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความทุกข์ทรมานใจก็จะเกิดขึ้นอีกเช่นเวลาที่อยากจะสูบบุหรี่หรืออยากจะดื่มสุราถึงเวลาแล้วไม่ได้ดืม่มไม่ได้สูบเวลานั้นจะมีความทุกข์ทรมานใจหงหุดหงิดลาคาญใจอารมณ์ไม่ดี พอได้ดื่มได้สูบแล้วความทุกข์ทรมานใจความไม่สบายใจก็จะหายไปชั่วคราวพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ความทุกข์ทรมานใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกถ้ามีปัญญาที่รู้ว่าการดื่มสุราไม่ดีการสูบบุหรี่ไม่ดี แต่ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถที่จะหยุดความอยากสูบอยากดื่มสุราได้ถึงแม้จะรู้ว่าการดื่มการสูบนี้ไม่ดีก็ตามเพราะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากนั่นเองแต่ถ้ามีสมาธิใจจะมี กำลังที่จะสู้กับความอยากได้ความกำลังของใจก็คืออุเบกขานี่เองคือความนิ่งเฉยเวลาจิตสงบจิตจะนิ่งเฉยจะไม่มีความหิวไม่มีความอยากถ้าเกิดความอยากก็มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้ถ้ามีปัญญามาสอนมาเตือนว่าอย่าไปทำตาม ความอยากเพราะการทําตามความอยากไม่ได้เป็นการนําความสุขมาให้อย่างแท้จริงเป็นการนําความสุขมาให้เพียงชั่วคราวพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกการทําตามความอยากจะไม่ทําให้ความอยากหมดไป เพราะไม่ได้ทําให้ใจอิ่มให้ใจพออย่างทาวรจะให้อิ่มให้พอเพียงชั่วคราวถ้าอยากจะให้ใจอิ่มให้พออย่างท้าวรก็ต้องไม่ทําตามความอยากถ้าหยุดความอยากได้แล้วต่อไปก็จะ <c oughs> ไม่มีความหิวความต้องการอะไรเพราะความหิวความต้องการนี้ เกิดจากความอยากนี่เองและการที่จะดับความอยากได้ก็ต้องมีภาวนาไมายะปัญญาก็คือจิตจะต้องมีส ม, มะถะภาวนาจิตมีอุเบกขาแล้วพอปัญญาสอนใจว่าการกระทาตามความอยากจะทำให้เกิดความทุกข์มากกว่าเกิดความสุข ใจก็จะหยุดกระทําตามความอยากได้อันนี้เป็นภาวนาไมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้มำเพนสมถะภาวนาแล้วก็เป็นปัญญาที่จะใช้กับเหตุการณ์จริงคือเป็นเหมือนกับการเข้าห้องสอบ การทำการบ้านนี้ต่างกับการเข้าห้องสอบทำการบ้านนี้เราสามารถเปิดหนังสือเปิดหาข้อมูลอะไต่างๆเพื่อหาคำตอบได้แต่เวลาเข้าห้องสอบนี้เราต้องหาความรู้ที่เราสะสมไว้ภายในใจเราอันนี้ก็เหมือนกันภาวนามายปัญญานี้ก็จะใช้ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง เช่นเวลาเกิดความอยากเวลาได้พบกับเหตุการณ์จริงขึ้นมาเช่นพบกับความแก่พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายพบกับการสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปเวลานั้นใจจะเกิดความอยากอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บ อยากไม่ให้ตายถ้ามีมีภาวนาไมยะปัญญาคือกิดได้มีสมาธิและได้ค่ายควรพิจณามาอย่างต่อเนื่องได้ทำการบ้านมาอย่างต่อเนื่องจนไม่หลงไม่ลืมว่าความทุกขนี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่พลาดพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบไปพอมีปัญญาคอยเตือนใจใจก็จะหยุดอยากได้เพราะใจมีอุบเบกขาอยู่แล้วดังนั้นการที่จ ะ, จะเจริญปัญญาคือภาวนามยปัญญาเพื่อมาใช้ในการดับความทุกข์ใจ หยุดความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนี้ได้จำเป็นจะต้องบำเพ็ญสมณะ ส, สมถภาวนามาก่อนถ้ามีสมถภาวนาแล้วจิตมีสมาธิแล้วเวลาได้ยินได้ฟังปัญป ญ, ญาไม่ว่าจะเป็นสุตะมยะปัญญาหรือจินตามยะปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามยะปัญญาไป เชในสมัยพระพุทธการตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมขังนแรกให้แก่พระปัญจวัคคีทรงแสดงพระอริยสัจสี่ทรงสอนพระปัญจวัคคีว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากและการดับความทุกข์ใจนี้ก็ต้องดับด้วยการหยุดความอยากเครื่องมือที่จะหยุดความอยาก ก็คือศีลสมาธิปัญญาพระปัญจวัคคีย์ก็มีศีลอยู่แล้วมีสมาธิอยู่แล้วพอได้รับปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกนทัญญาก็สอบผ่าน ได้คําคตอบว่าความทุกข์ของตนนี้เกิดเพราะว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่เองจึงได้เปล่งวาจาขึ้นมาว่าทําใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทํานั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายเมื่อมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดา ถ้าไม่ยอมรับความจริงอันนี้หรือไม่เห็นความจริงอันนี้ก็จะต่อต้านกับความตายเพราะใจมีความหลงมีความอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายให้ร่างกายนี้อยู่ไปกับตนไปนานๆ <c oughs> ไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้เป็น เหมือนกับเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งเป็นเหตุการณ์อย่างหนึง่งเหมือนกับการปรากฏขึ้นของดวงอาทิตย์ในตอนเช้าและการดับของดวงอาทิตย์ในตอนเย็นอันนี้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ใจได้มาครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราว <c oughs> ที่จะมีจะต้องมีการพัดภากจากจากใจไปในที่สุดนี่คือเรื่องของถ้าเห็นด้วยใจที่สงบก็จะไม่หวั่นไหวเวลาพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าใจมีอุเบกขามีสมาธินั่นเองผู้ใด ที่มีสมาธิแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดง mm. ก็จะสามารถบรรลุได้ดับความทุกข์ต่างๆได้ mm. ในสมัยแรกๆของการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงมุ่งไปสอนแก่พวกที่มีสมาธิอยู่แล้ว mm. คือบรรดานักบวชทั้งหลาย mm. ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาบวช ภายใต้รัทธิอื่นแต่ก็ปฏิบัติมีศีลมีสมาธิพอมีศีลมีสมาธิพอได้ยินได้ฟังปัญญาทางพระพุทธศาสนาปัญญาของพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่นี่เอง <c oughs> ที่สอนให้หยุดความอยากด้วยการใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยากได้นี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปสั่งไปควบคุมบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็ต้องมีไปเป็นธรรมดาถ้ามีความอยากให้อยู่ไม่อยากให้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากให้อยู่ ปล่อยให้มาให้ไปไปตามธรรมชาติของเขาใจก็จะไม่มีความทุกข์ผู้ที่จะทำใจให้เฉยปล่อยให้เพื่อปล่อยให้ทุกอย่างมาและไปได้ก็คือต้องมีสมาธิต้องมีอุบเบกขานี่เองแต่การมีสมาธิแล้วไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักวิธีที่จะดับทุกข์ได้เช่นเดียวกัน เปนผู้ที่มีสมาธิแล้วแต่ไม่รู้จักใช้ปัญญาไม่รู้จักหยุดความอยากเวลาเกิดความอยากก็ไปทำตามความอยากอย่างนี้ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้องดับได้แบบไม่ถูกเช่นอยากเวลาอยากก็ไปทำตามความอยากพอทำตามความอยากแล้วความทุก ที่เกิดจากความอยากก็จะดับไปชั่วคราวเช่นอยากจะดืมสุราอยากจะสูบบุหรีก็ไปทำตามความอยากความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นก็จะหายไปชั่วคราวพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ความ <c oughs> ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เพราะการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการหยุดความอยาก อย่างถาวรหยุดเพียงชั่วคราวการที่จะหยุดความอยากอย่างถาวรนี้ต้องหยุดด้วยการไม่ทําตามความอยากเช่นหยอกอยากจะสู่บุรีก็ไม่สูบครั้งแรกมันก็จะรู้สึกทรมานใจมากหน่อยพอเราฝืนได้ครั้งต่อไปมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วไม่นานความอยากมันก็จะหมดไป น, นี้ถ้ามีปัญญาก็จะหยุดได้เพราะจะบอกจะสอนใจว่าการทำตามความอย่างนี้ไม่ได้ให้ความสุขให้ความทุกข์มากกว่าเพราะว่าสิ่งที่ได้มานี้ให้ความสุขเพียงชั่วคราวพอความสุขนั้นหมดไปความอยากก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่อยาก มาตอบสนองใจอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่สามารถหาสิ่งที่อยากได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าหยุดความอยากแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเดือดร้นแสวงหาสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้หาได้หรือหาไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะสามารถมีความสุข อยู่เฉยๆมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาที่มีอยู่สามระดับด้วยกันพวกเรานี้ส่วนใหญ่จะมีปัญญากันระดับหนึ่งระดับสองก็คือสุตตมัจปัญญาเราฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะกันอยู่เรื่อยๆ ส่วนจินตาไมยะปัญญานี้อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างขึ้นอยู่ว่าเราขยันทำการบ้างหรือเปล่าถ้าเราฟังเทศแล้วเรากลับไปบ้านเราก็ยังเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเวลาเรามองเห็นร่างกายของเราเนื้อของคนอื่นเราก็พิจารณาเตือนใจอยู่เลอยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าสอนไปเรื่อยๆแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะเป็นเวลาที่เข้าห้องสอบก็จะรู้ว่าจะมีกำลังทำใจให้เฉยหรือไม่ เช่นเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเมื่อสองวันก่อนก็มีญาติโยมคนหนึ่งมาปรึกษามาถามว่าจะให้อยากจะรู้ว่าจะไปหาหมอแล้วจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเราบอกว่าเราไม่เราไม่ใช่หมออยากจะรู้ก็ต้องไปหาหมอ ถ้าเาเป็นถ้าถ้าถามเราว่าจะให้ทํำยังไงเราก็บอกว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ว่าเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นเราไปควบคุมไปสั่งมันไม่ได้ให้มันเป็นหรือไม่เป็นแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะสอนใจให้ไม่ให้หวั่นไหวกับการเป็นไปของร่างกายคือเราต้องแยกใจของเราออกจากร่างกายให้ได้ ไห้รู้ว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย <c oughs> เราไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายวิธีที่ไม่ทุกข์ก็คือต้องปล่อยวางต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ถ้าทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ะนะเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับเราแต่อย่างใด ตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาที่เราหวั่นไหวที่เรามาต้องมาถามคนอื่นว่าจะเป็นหรือไม่เป็น <c oughs> ก็เพราะว่าเรายังหวั่นไหวเรายังหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับว่าเราจะ เป็นโรคมะเร็งหรือไม่ก็คือเราต้องพิจารณาว่ามันต้องเป็นแน่ๆเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองช้าหรือเร็วถ้าไม่เป็นโรคมะเร็งมันก็ต้องเป็นโรคอื่นจนได้เพราะนี่คือเรื่องของร่างกายที่เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาซึ่งโรคของร่างกายนี้ก็มีอยู่สามโรคด้วยกันสามสามโรคเท่านั้น แต่อาจจะมีรายละเอียดมีชื่อแปลกๆต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วก็มีสามชนิดชนิดแรกก็คือโรคที่เป็นเองแล้วก็หายเองเช่นปวดท้องปวดหัวเป็นไข้หวัดมันเป็นไปเดี๋ยวมันก็หายของมันเองได้ไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้อันนี้เป็นโรคชนิดที่หนึ่งโรคชนิดที่สองก็คือโรคที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้ก็ต้องรักษาถ้ามียาที่รักษาได้ก็ดีไปโรค ก, ก็หายถ้าไม่มียารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับโรคนั้นไปจนกว่าร่างกายจะตายไปโรคนั้นถึงจะหายโรคชนิดที่สามก็คือโรคที่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย นี่คือโลกสามชนิดด้วยการที่ร่างกายของทุกๆคนจะต้องพบกันอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วอดัองนั้นเรื่องของร่างกายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปควบคุมบังครับไปสั่งมันให้ไหม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะเป็นแต่สิ่งที่เราสั่งได้สิ่งที่เราจะทำให้ใจของเราเย็นให้สบายได้ ก็คือทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุบเบกขาดังนั้นการภาวนาส ม, มถภาวนาเพื่อทำใจให้สงบนี้จึงเป็นาการปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้ามีส ม, มถภาวนาแล้วใจจะสงบใจจะเย็นใจจะสบายเพียงแต่ว่าส ม, มถภาวนานี้ความสงบนี้ เป็นความสงบเพียงชั่วคราวคือเวลาที่อยู่ในสมาธิใจก็จะสงบเย็นสบายร่างกายจะเป็นอะไรตอนนั้นใจก็ไม่รับรู้หลับความทุกข์ได้ชั่วคราวหยุดความอยากได้ชั่วคราวแต่พอออกมาจากสมาธิพอมาเห็นร่างกายมาคิดถึงว่าร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เช่นจะคิดว่าจะต้องไปหาหมอเพื่อให้หมอวิเคราะห์ดูว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าตอนนั้นใจก็จะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาได้แต่ถ้าใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ น, นิจจังก็คือไม่เที่ยงมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปควบคุม บ, คบังคับไปสั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้ยอมรับอ น, นิจจังให้ยอมรับอนตัตต่าถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ ยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาไม่เป็นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์ก็จะไม่มีภายในใจใจเราก็จะเย็นจะสงบเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิอันนี้จะเป็นการหยุดดับความทุกข์อย่างถาวรดับความทุกข์โดยที่ไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิการเข้าในสมาธินี้เป็นการหลบหนีเหตุการณ์เท่านั้นเอง จิตหลบนี้จากการรับรู้เรื่องราวของร่างกายแต่ถ้ามีปัญญานี้ไม่ต้องหลบใช้ปัญญานี้สอนใจให้ปล่อยวางให้ยอมรับความจริงให้รู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เป็นใจใจไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนละคนกันทำไมใจต้องไปทุกข์แทนคนอื่นเขาทำไมร่างกายเขาแอบไม่ทุกข์ร่างกายเขาเจ็บเขา แก่เขาตายเขาไม่ทุกข์เขาไม่เดือดร้อนผู้ที่ทุกข์ที่เดือดร้อนนี้ก็คือใจทั้งทั้งที่ใจก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาแยกแยะความจริงให้เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายอะไรไม่แก่อะไรไม่เจ็บอะไรไม่ตาย อะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและวิธีที่จะหยุดความทุกข์ให้หยุดอย่างไรนี่เรียกว่าวิปัสสนาซึ่งจะต้องทำหลังจากที่มีสมถภาวนามีสมมีความสงบแล้วขณะที่มีความสงบหรือขณะที่ใจอยู่ในความอยู่ในความสงบนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะจเรีวิปัสสนา เวลานั้นเป็นเวลาจเจริญสมถภาวนาคือจเจริญอุเบกขาควรจะให้ใจสงบให้นานสงบให้บ่อยๆสงบให้มากๆให้มีกำลังอุเบกขาให้มากพอมีกำลังอุเบกขามากแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้เอาปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆ อยาไปมีความอยากถ้ามีความอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพ อ, อสอนใจอย่างนี้แล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดกําลังไปพอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจจะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าสมาธิก็ได้เพราะสมาธินี้ก็เป็นเหมือนยาปัญญาก็เป็นเหมือนยา พอไม่มีโลคภยัยจขเจ็บแล้วก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาเพราะโรคภัยคือความทุกข์ใจไม่มีแล้วความทุกข์ใจเกิดจากเชื้อโรคของใจก็คือความอยากเชื้อโรคของใจก็ถูกยาก็คือสมาธิและปัญญาทำลายไปจนหมดแล้วยาที่ว่านี้ก็คือ ปัญญามายะปัญญาภาวนามายะปัญญานี่เองคือต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาควบคู่กันไปก็จะทําให้ใจปล่อยวางได้วางเฉยได้ไม่อยากเกี่ยวข้องกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของร่างกายเราไปสั่งเขาไม่ได้ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นดีๆนี่เอง ร่างกายของคนอื่นเราไปสั่งไม่ได้ไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เนี่ร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นสั่งไม่ได้เหมือนกันร่างกายของคนอื่นเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายของคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายก็ช่วยไม่ได้ฉันได้ร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายก็ช่วยไม่ได้ฉันนั้น เราทำได้ก็เท่าที่เท่าที่จะทำได้คือให้อาหารเดื่มน้ำหายใจรับประทานยาแต่เมื่อร่างกายเป็นมากมากก็อาจจะทำไม่ได้น้ำก็เดื่มไม่ได้อาหารก็เดืมรับประทานไม่ได้ก็ต้องมายุ่งกับหมอที่จะต้องมาคอยเจาะคอเจาะท้องเพื่อให้อาหาร ข้าวออกในร่างกายอันนี้ถ้ามันถึงเวลาที่ร่างกายไม่สามารถจะรับประทานได้ถ้าเรามีปัญญามีอุบเบกขาเราก็ปล่อยมันไปถ้ามันไม่รับประทานก็ไม่ลองรับประทานถ้ามันจะหยุดหายใจก็มันปล่อยให้มันหยุดหายใจไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ไม่ควรที่จะไปวุ่นวายไปกับมันวุ่นวายไปกับมันก็เพียงแต่ยืดเวลาให้มันยาวออกไปเท่านั้นยืดความทุกข์ทรมานให้มันนานขึ้นแทนที่จะตายวันนี้ก็ต้องนอนเจ็บอยู่อกีกหลายวันด้วยกันกว่าที่จะตายได้เพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาคอยสนับสนุนนะการที่เราหยุดสนับ สนุนหยุดทำการดูแลเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการทําบาปแต่อย่างใดการทําบาปนี้ต้องเกิดจากการที่เราอทำร้ายร่างกายเช่นอฉีดสารพิษเข้าไปให้ร่างกายนี้ตายไปแต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายอยู่ไปตามมีตามเกิดของเขา อย่างนี้ไม่ได้เป็นการทำบาปบางคนคิดว่าถ้าหยุดการรักษาแล้วจะเป็นการทาบาปอันนี้ไม่เป็นการทาบาปอันนี้เป็นการปล่อยวางปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขาถ้าเขาหายใจได้ก็หายใจไปถ้าเขาเดื่ม น, น้าได้ก็ดื่มไป ถ้าเขารับประทานอาหารรับประทานยาได้ก็รับรับประทานไปแต่ถ้าเขารับประทานยาไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้หายใจไม่ได้ก็อย่าไปฝืนอย่าไปบงังคับเขาเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรจะป้อนอาหารทางสายยางจะป้อนลมทางสายยางป้อนยาทางสายยางมันก็เพียงแต่ทำให้ร่างกาย อยู่ต่อไปได้แต่ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีก็นอนเป็นคนไข้ถัาวอนไปเท่านั้นเองถ้ามีปัญญามีภาวนามยะปัญญาแล้วก็จะไม่มีปัญหาอย่างนี้ก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเพราะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพียงแต่มาครอบครองร่างกายไว้ชั่วคราวเป็นร่างกายเป็นเหมือนบ้านที่ใจใช้อยู่อาศัยพอบ้านพังใจก็ต้องหาบ้านใหม่ถ้ายังอยากจะได้บ้านใหม่ก็ไปหาบ้านใหม่ ไปหาร่างกายใหม่ถ้าไม่ต้องการที่จะได้บ้านใหม่ก็ไม่ต้องไปหาผู้ที่ไม่ไปหาบ้านใหม่ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอหรหันต์ทั้งหลายเพราะท่าเห็นว่าได้บ้านใหม่มาเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องเก่าแล้วมันก็ต้องพังไปอยู่ดีก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆการหาบ้านใหม่การได้บ้านใหม่มาแต่ละครั้งไม่ใช่เป็น เรื่องที่ดีก็จะต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาบ้านได้นั่งกายมาแนละ้วก็ต้องดูแลรักษาร่างกายด้วยวิธีการต่างๆแล้วดูแลให้รักษาดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดสภาพไปผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่า เป็นการทำผิดซ้ำซากทำผิดอยู่เรื่อยๆวิ่งเข้าหาความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่มีร่างกายก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกับความตายทุกกับการพัดผ้าจากสิ่งทั้งหลายไปทุกกับการสวายหาสิ่งต่างๆที่จะต้องหมดที่จะต้อง พัดพากจากกันไปในที่สุดหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องศูนย์ไปหมดหามาทำไมให้เหนื่อยยากความสุขที่ได้จากสิ่งที่หาหามาก็มีเพียงเล็กน้อยมีความสุขมีความดีอกดีใจในตอนที่ได้มาแต่เวลาที่ต้องคอยดูแลรักษาก็กลายเป็นภาระทางใจและเวลาที่จะต้องพัดพากจากไป ก็จะเป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจถ้าไม่มีร่างกายไม่มีสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีการพัดผ้าจากกันถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าทุกย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าตราดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีการมีความทุกข์อยู่แม้จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรมก็มีความทุกข์เพราะว่ามีมีการเสื่อมพรมนี้ก็เสื่อมได้จากสพรมก็เสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ก็คือตกจากสวรรค์ ล, ลงมานั้อเองดังนั้นถ้า ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นโทษของความอยากเพราะความอยากนี้แหละที่ทำให้ต้องไปเกิดใหม่เช่นถ้ายังอยากดูยังอยากฟังยังอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆก็จำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นไก่ถ้าไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายเหมือนกับถ้ายังต้องการเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถยนต์ถ้าไม่ต้องการเดินทางไปไหนแล้วอยู่กับบ้านไม่ออกนอกบ้านก็ไม่จำเป็นจะต้องมีรถยนต์มีไปมีก็ไม่ได้ใช้รถยนต์ก็จอดทิ้งไว้เฉยๆ่ยังนั้นถ้าถ้าอยากจะไม่ทุกข์ ก็ต้องไม่มาเกิดถ้าไม่มาเกิดก็ต้องไม่อยากมีร่างกายไม่อยากมีตาหูจมูกมิ้นไายไม่อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆหรืออยากมีอยากเป็นก็เช่นเดียวกันถ้าอยากมีอยากเป็นก็ต้องมีร่างกายเอ็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนนักหน้าถือตายกย่องสรรเสริม อันนี้ก็เป็นความอยากเช่นเดียวกันแล้วพอมีแล้วก็จะเกิดความอยากอีกอย่างตามมง ก, ก็คืออยากไม่มีอยากไม่เป็นพอมีอะไรแล้วก็อยากจะมีไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันหมดไปเวลามันหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลามีแล้วยังไม่หมดก็เกิดความทุกข์ใจเพราะกลัวว่าจะหมดมันก็เป็นความทุกข์ตลอดเวลา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 ทำให้เกิดความทุกข์ใจเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นเองมีร่างกายแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราจเจริญสมถภาวนาแล ะ, จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เราก็จะหยุดความอยากได้กพราเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายลักษณ์นี้เองตายลักษณ์ก็คือวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริง สิ่งที่เราต้องรู้แหงจรู้จ้งเห็นจริงก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายนี้เป็นปัยลักษ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอนิจจังก็คือไม่เที่ยงไม่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวอนัตตาก็คือเราไม่ไม่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งไปห้ามให้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ได้ทุ ก, ก็คือ เพราะว่าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ดังใจอยากถ้าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราเห็นความจริงทั้งสามส่วนนี้เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเราเห็นอนิจจาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เราก็ต้องอยอมรับความจริง พอเรายอมรับความจริงใจของเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราหยุดหยุดความอยากได้แต่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีอุเบกขาก็ต้องเจริญสมถะถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้เช่นตอนนี้เรามีปัญญาแต่กลับไม่สามารถหยุดความอยากได้ก็แสดงว่าเราไม่มีอุเบกขาพอเราก็ต้องกลับมาเจริญสมถะใหม่ทำใจให้สงบ ให้มากมาก้าใจสงบแล้วลองหันมาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะรู้ว่าเราทำใจได้หรือไม่หรือเราลองสละสิ่งที่เรารักไปดูว่าเราสละได้หรือไม่ของสิ่งใดที่เรารักมากมากเราหวงมากมากถ้าเราไม่มีสมรรถนะนี่เราจะละไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมถนะแล้วเราจะละได้ เป็นคนที่ออกบวดกันได้ก็เพราะว่าเขามีสมถะกันเขามีความสงบกันเขาละสละลาบยศสละเสรญได้ mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าทรงเ ส, สด็จออกจากพระราวฉวังได้ mm hmm. ก็เพราะว่าพราะองค์นั้นมีความสงบได้อยู่ภายในพระทัยเคยสัมผัสกับความสงบมาแล้ว mm hmm. รู้ว่าความสงบนี้เป็นอย่างไรห mm hmm. mm hmm. รือว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่าความสงบ mm hmm. ไม่มีสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่จะให้ความสุขได้ดีเท่ากับความความสุขที่ได้จากความสงบแต่เพียงแต่ว่ายังไม่สงบอย่างถาวรสงบเป็นบางครั้งบางเวลาจึงส่งเกิดความอยากที่จะให้สงบตลอดเวลาการจะสงบได้ตลอดเวลาก็ต้องปล่อยวางสละทุกสิ่งทุกอย่างไป เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้จะเป็นภาระกับจิตใจจะทำให้ไม่สามารถเข้ามาเจริญความสงบได้เพราะจะต้องมัววุ่นวายกับการดูแลจัดการทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็จะไม่มีเวลาที่มาเจริญสมถภาวนาถ้าอยากจะเจริญสมถภาวนาก็ต้องสละสมบัติสละเข้าของเงินทอง สละลาบยศต่างๆไปนี่ก็คือผู้ที่เห็นคุณค่าของความสงบแล้วก็เห็นโทษของลาบยศรลเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสบุธะภะก็จะสามารถสละสิ่งที่รักไปได้เพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าก็คือความสงบภายในใจ ถ้าเรายังไม่มีความสงบพอเราจะออกบวชกันไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากสู้กับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆได้นั่นเองแต่ถ้ามีความสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะสลัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ดังนั้น การจเจริญสมถะภาวานานี้จึงเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าขาดสมถะภาวานาถึง แ, แม้ว่าจะได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนทั้งพระไตรปดฎกรู้บทก็จะเพียงแต่รู้แบบรู้แบบทําอะไรไม่ได้รู้แล้วไม่สามารถหยุดความอยากได้ดับความทุกข์ได้เพราะว่าถ้าหยุดได้ ดับความทุกข์ได้พวกเรานี้ควรจะหยุดกันได้ดับกันได้ไปนานแล้วเพราะเราก็ได้ศึกษามากันเป็นเวลาหลายปีแล้วได้ยินได้ฟังอริยสัจ ส, สีจนหูชาไปแล้วได้ยินได้ฟังอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจนหูเมื่อยไปแล้วจนไม่อยากจะฟังแล้ว ฟังได้แต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีกำลังไม่มีปล่อยไม่มีกาลังปล่อยวางพะเกิดความอยากว่็ไปเลยอยากจะดื่มอะไรเปิดตู้เย็นหาดื่มถ้าอยากจะทดสอบก็ลองกำหนดตารางเวลาดูแต่ว่าจะดื่มเวลานั้นเวลานี้ถ้านอกเวลาจะไม่ดื่มจะรับประทานอาหารเวลานั้นเวลานี้นอกเวลาจะไม่รับประทาน เราจะเดืม่มจะรับประทานเพื่อร่างกายเราจะไม่เดืม่มไม่รับประทานเพื่อความอยากเช่นพระนี้ท่านกระฉันเพื่อเดียวเรื่องอาหารท่านก็ให้หนึ่งมือ้อเรื่องเครื่องดืม่มก็ให้หนึ่งครั้งตอนตอนบ่ายเดือมน้ำปานะส่วนเวลาอื่นถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปไม่ให้มีรสกลิ่นสีต่างๆเข้ามาอันนั้นเป็นความอยากอย่างในรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดืม่ม มาได้ดื่มเพื่อร่างกายดื่มเพื่อความอยากดื่มเพื่อการมะตัญหาดื่มเพื่อการมะฉันทะถ้าดื่มเพื่อความอยากมันก็จะต้องดื่มอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าดื่มเพื่อร่างกายก็จะดื่มเฉพาะเวลาที่ร่างกายต้องการจริงๆเท่านั้นเช่นเวลาร่างกายหิวน้านจริงๆก็ดื่มน้ำเปล่าไปร่างกายขาดอาหารก็รับประทานอาหารไปวันละมื้อ อาหารก็จะรับประทานอาหารชนิดไหนก็ได้ไม่สำคัญขอให้รับประทานเข้าไปแล้วอิ่มท้องอแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นก็พ อ, อไม่ต้องถูกปากถูกใจถูกค อ, อรับประทานเพื่อให้มันอยู่ได้ให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนรับประทานยายาที่หมอให้มาจะมีรูปร่างใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าะจะเป็นเ ม, ม็ดกลมเม็ดเดียว จะเป็นยาน้ำหรือยาฉีดหมอให้มาก็ต้องรับมาตามที่หมอสั่งอันนี้ก็เหมือนกันว่าประทานอาหารก็ให้รับประทานเหมือนรับประทานยาอยากไปรับประทานตามความอยากว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ต้องรับประทานอาหารชนิดนี้ก่อนชนิดนั้นวิธีที่จะกำลับความอยากในรูปแบบนี้ก็คือเอาอาหารมาคลุกกันในชามเดียวกันไปเลยเอาทั้งของค้าของหวาน ผาาลไม้อะไรใส่เข้าไปในภาชนะอันเดียวพราเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีมันก็ไปรวมในที่เดียวนึกถึงภาพของอาหารที่มันไปอยู่ในท้องบ้งแล้วเราจะได้ไม่จู้ที่จุกจิกกับการรับประทานอาหารอุตส่าห์อุตส่าหพยายามประดิบประดาประเละอาหารให้มันดูสวยงามลองกินอย่างนั้นก่อนอย่างนี้หลังท้ายที่สุดก็ไปดูภาพของมันเวลามันไปรวมอยู่ในท้องแล้วเป็นอย่างไร เราถูกกำหน้าของความหลงความอยากหลอกให้เราต้องมาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระต่างๆเหล่ า, านี้เพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่พิจารณาอาหารในปฏิกูละรสัญญาก็คือดูความไม่สวยงามของอาหารเวลาที่อยู่ในปากเวลาเคียเค้ยวกับขอบเคี้ยวผสมกับน้ำลายตอนนั้น อ, ร, อร่อยมาก ถ้าอยากจะเห็นภาพมันลองคายมันออกมาใส่จานใหม่แล้วลองตัดเข้าไปใหม่เนี่ยดูว่าจ ะ, จ, ะจะอร่อยเหมือนเดิมป่าอันนี้เพื่อเป็นการหยุดความหลงหยุดความอยากแล้วต่อไปเราจะรับประทานอาหารได้อย่างง่ายดายมีอาหารอะไรก็รับประทานได้ไม่ต้องมาเจ้าที่จุก จ, จิกให้วุ่นวายให้ลาบากไปเปล่า บางทีต้องขับรถไปต้องหลายหลายกิโลเพื่อขับถึงบ้านก็หายหมดแลยเะฉะนั้นปัญญานี่มีไว้เพื่อให้มาหยุดความอยากไม่ใช่มาฟังประดับบารมีเฉยๆเพราะถึงเวลาเกิดความอยากก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจ เราก็จะกลายเป็นท่าสงความอยากไปไม่มีวันสิ้นสุดน <awakening. Job. S 1> ีด่เราก็จะต้งไปเวีนว่าตายเกิดต่อไปต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอย่างที่เรากําลังทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยความแก่ความเจ็บความตายมันจะเข้ามาหาเรามากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยอายุมีมากขึ้นเท่าไหร่ความเก็บความความความแก่ความเจ็บความตายนี้จะชัดขึ้นชัดขึ้นอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสมถะภาวนาไม่มีภาวนาเมยยะปัญญาเราจะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามีเราจะอยู่ได้อย่างสบายแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปอยู่ก็มันไปใช่เราไม่ไปยุ่งกับมันใจของเราเป็นอุบเบกขาสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเขาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับเขาไปเดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องหายเวลาร่างกายหยุดหายใจทุกอย่างก็หายหมดโรคต่างๆก็หายหมดดั <c oughs> งนั้นขอให้เร า, าจเจริญปัญญาให้ถึงระดับที่สามแต่ก่อนที่จะถึงระดับที่สามก็ต้องมีระดับที่สองระดับที่หนึ่งก่อน ถ้าเราไม่มีระดับที่หนึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องจเจริญอย่างไรจะต้องพิจารณาอะไรสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คืออริยสัจสี่พิจารณาตายรักพิจารณาขันห้าพิจารณาลาบลดสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือสิ่งที่ชีวิตจิตใจของเราผั พ, พันอยู่ตลอดเวลาใจเรามาผัพันกับขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็คือร่างกายนี้เราเราก็มาพัวพันกับการแสวงหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑพ์เพื่อมาบำรุ่มบำเลอให้ความสุขกับเราแต่เราไม่เคยพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตายลักณเลยไม่รไม่เครรู้เลยว่าความทุกข์รทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการที่เรามาพัวพันกับสิ่งเหล่านี้นั่นเองมาพัวพันกับราบยศสรรเสริญพัวพันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณ พ, พ์ มาพัวพันกับรูปเวทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาณมาหลงมาคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามาคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัปตานิจจังก็คิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดสุขขังก็คิดว่าจะให้ความสุขกับเราอยู่เรื่อยๆพอเขาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาเปลี่ยนไปแล้วก็ทํารับไม่ได้ทําใจไม่ได้แต่ถ้าเราคอยสอนอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะ เบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้ใจเราก็จะหดเข้ามาหดเข้ามาสู่ความเป็นอุเบกขาเข้าสู่ความสงบแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาราบยอดฉลเริญหาลูกเสียงกลิ่นลดไม่ต้องไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถึงเวลาเขาจะเสื่อมก็ปล่อยเขาเสื่อมไป เวลาที่เขาจะหมดก็ปล่อยเ็าหมดไปแต่ใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์กับการเสื่อมกับการหมดของสินต่างๆในโลกนี้เพราะเรามีปัญญาก็ขอยุติการแสดงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอให้ผรอนก่อนเพื่อท่านที่ต้องการจะกลับจะได้ไม่ต้องรอแล้วส่วนที่ท่านอยู่ต่อเดี๋ยวจะสนทนาต่อก็ได้ ยะถาวาลวะหาปุราตลลกุลเณติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังกิดเเมวะสมิจจตุสัพเพปุลเณตุสังกาปาจัมโทปนาหะโ a ยะถามนิโชติภะโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพะโรโขวินัสสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสินิสะนิจังุทธาปจายโนจตารูธัมมวัฏานติอายุวันุสุขังภาลัง เพ่การการเพ่งกระสีนี้เป็นวิธีปฏิบัติธรรมให้ถึททงะะขังน้นสุดายงลเป็นวิธีหนึ่ ง, งการแพ่งกระสีนี่ก็เป็นการเจริญสมร t h ภาวนาทําำทําใจให้สงบการทําทําใจให้สงบนี้มีอุบายถึงสี่สิบวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบกรรมกสิสีนุสเกลมีอยู่สิบชนิดนึง คือให้เราเพ่งสีใดสีหนึ่งสีเขียวสีแดงคือให้ใจเรามีอะไรผูกไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกับการใช้พุทโธพุทโธก็เป็นการเพ่งคำว่าพุทโธถ้าดูลมก็ใช้ใช้การใช้เพ่งลมไปก็เป็นอุบายของสมถ ะ, อะใอะ่การมีสมถะอย่างเดียวนี้ไม่พอต่อการหลุดพน้น ว่ามีสมถะภาวนานี่มาก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงจเจริญสมถะภาวนาจนได้ฌานสมาบัติแต่เวลาออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่ขึ้นมาความทุกข์ก็ตามมาพอจึงต้องสูงคนข้าหาความจริงว่าให้ความทุกข์ที่เกิดนี่มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยตอนต้องก็เคยว่า เกิดที่อยากรับประทานอาหารอยากมีชีวิตอยู่ก็เลยหยุดรับประทานอาหารดูซิว่าความอยากมันจะหายไหมความอยากมันก็ยังมีอยู่ร่างกายจะตายแล้วความอยากมีอยากเป็นอยากรูปอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ยังมีมีอยู่ก็ใช้ทส่งรู้ว่าความอยากไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่การให้ร่างกาย มีมีมีกำลังหรือไม่มีกำลังมันก็ไม่ทำให้ความอยากนี้มันหมดไปคิดว่าถ้าอดอาหารแล้วความอยากมันจะหายไปมันไม่หายก็เลยยองส่งย้อนมาคิดว่าถ้ามันไม่อยู่ที่ร่างกายมันก็ต้องอยู่ที่ใจก็เลยใช้การภาวนานั่งขัดสมาธิใต้ด้นโพแล้วก็ส่งเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบ พอใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาคายกวน ห, หาหาเหตุหาผลอก็ทรงเห็นว่าอ๋อเวลาเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ทรงเห็นว่าการที่จะดับความอยากอยากได้หยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าอการการที่จะทําอะไรตามความอยากนี่จะไม่ได้ดับความทุกข์ใจกลับจะเพิ่มความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นอื เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นจะต้องเสื่อมหมดไปเวลาที่เสื่อมหมดไปก็จะเป็นเวลาที่มีความทุกใจอยู่ดีก็เลยทรงเห็นว่าถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่ก็จะไม่ทุกข์ทรงเปรียบเทียบเวลาไม่อยากกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นปัญหากับเราเก็เลยต้องต้องเห็นอริยสัจสี่ อันนี้ก็เห็นได้โดยพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเพราะว่าไม่มีใครที่จะมีปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ด้วยตนเองต้องเป็นพระโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบำเพ็ญ น, นี้ก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์พอได้ตัสรู้พระอริยสัจสี่ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ต่อไปก็จะมีพระโพธิสัตว์มาพิจารณามาเจริญปัญญาแบบนี้อีกหลังจากที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วเรือจะไม่มีใครรู้จักอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้จักอนิจจมทุกขงังวณตาก็จะเป็นมีก็จะมีพระโพธิสัตว์องค์ใหม่ที่จะมาค้นข้าหาความรู้อันนี้ขึ้นมา เหมือนกับที่พูดเจ้าทรงคนขว้าหาความรู้อันนี้ขึ้นมาเพราะในสมัยที่ทรงบําเพ็ญอยู่ไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้ไม่มีใครพูดถึงอริยสัจสีไม่มีใครพูดถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่จะเห็นกันก็เห็นเห็นอนนี้จังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์แต่ไม่รู้แต่ไม่เห็นอนัตตาไม่มีใครเห็นอนัตตาไม่ไม่ไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยาก ร่องรอยจะจับก็จะเกิดขึน้นก่อ น, นมันนานมากเวลามันแต่เป็นกลับเป็นกามัน อ, อาจจะเป็นเป็นอีกสังคมอยู่อยู่ในโลกหนึ่งก็ได้โลกที่เราอยู่นี่มันอาจจะเสื่อมหมดสภาพไปแล้วจิตก็จะต้องไปจุตติไปเกิดในภพในโลกใหม่โลกใหม่นั้นก็อาจจะไม่อาจจะเริ่มต้นแบบเป็นพวกไดโนเสาร์อะไรขึ้นมาก่อน แล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจ ะ, ะถึงขีดที่จ ะ, จะเจริญเต็มที่ทางด้านปัญญา ก, ก็ต้องมีการจเจริญศีลก่อนสมาธิก่อนพอมีนักบวชมีนักบำเพ็ญแล้วก็จะ ม, มีฐานที่จะทำให้สามารถจเจริญทางปัญญาได้ต่อไปอ ตอนนี้นราอยู่ในยุคเสือ่อมยุคยุคท้อยหลังสมัยพระพุทธเจ้านี้เป็นสมัยที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในในเรื่องของคุณธรรมเช่นศีลสมาธิปัญญาพอหลังจากพุทเจา้าจากไปแล้วการเจริญปัญญาก็จะค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีจํานวนน้อยลงไปน้อยลงไป จนมาถึงยุคของเรานี่เรื่องของปัญญานี้แทบจะไม่ค่อยเข้าใจกันละถึงแม้ว่าจะรู้จะได้ยินอริยสัจสี่จะได้ยินอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ไม่รู้จักวิธีที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สมาธิก็ยังไม่ค่อยทํากันไม่ค่อยได้นักบวชส่วนใหญ่นี้จะไม่ค่อยเข้าสมาธิกันแล้วนนี้่เฉพาะแต่พวกที่เป็นพระป่าที่ชอบอยู่ในป่าในเขาะ พระสมัยนี้ไม่ได้บวชเพื่อความสงบแล้วบวชเพื่ออย่า ง, อ, งอื่นกลายเป็นเหมือนกับเป็นผู้มาทําพิธีกรรมให้กับญาติโยมเสะเดะเคราะทําบุญให้อะไรให้เขาสบาย อ, อกสบายใจเวลาไม่สบายใจมาถวายสังฆทานมาทําบุญพระก็สวดให้แค่นี้ญาติโยมก็สบายใจพระก็ได้ลาบสักการะไปะ แ้ถ้าไม่มีปัดไม่มีธรรมะควบคุมใจก็จะเอาลาบส ก, การและลาบส ก, การละนี่มาใช้ในทางของกิเลสตัณหาไปไปซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่ไม่เหมาะสมแก่สา ม, มัญนาเพสแต่สำหรับพระที่มีคุณธรรมอยู่ท่านก็จะใช้เงินไปในทางให้เกิดประโยชน์แก่ทางโลกอย่างเช่นหลวงตาท่านได้ปัจจัยมหาเท่าไรท่านก็เอาไปทำประโยชน์ ให้กับทางโลกท่าไม่เคยซื้อข้าวซื้อของมาให้ให้ท่านใช้เองเลยเพราะของใจของท่านไม่ได้หิวไม่ต้องการอะไรแล้วบางทีคนออกมาให้ท่านก็ต้องคืนเขาไปเพราะไม่เหมาะสมกับอ่อนจะถวายบางทีสมัยก่อนก็มีคนจะถวายพวกเฟอร์อนิเจอร์เฟอร์นเจอร์เบาะนวมอะไร ว่าถ้าลอยเอากลับไปไม่ทนันจะโยนเข้าป่าไปพวกนีกนนนน้คำบุญต้องการมีมุสอุบาสภวันอุบาสภอ่าคำบุญแล้วมันก็เกิดความสุขความสบายใจได้เสียสละอได้ลดละความตนหนีความความหวงความโลภไปมันก็ทําให้สบายใจหน่อยแต่คนที่รับเนี่ยแต่ต้องเป็นผู้ที่จะต้องระมัดระวังเพราว่า นับไปแล้วจะเอาไปทําให้เกิดโทษกับตัวเองหรือไม่ถ้าไม่ถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมนั้นรักษาใจมันก็ร้อยทั้งร้อยก็เอาไปใช้ในทางของกิเลสก็จะเกิดโทษกับตัวเองยุคยุค ข, ของพวกเราก็อาการบรรลุมรรผลนิพพานก็มีจํานวนน้อยลงไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับยุค ข, ของพระพุทธการคนออกบวชก็น้อยคนที่ จเจริญปัญญาจริงๆก็น้อยสมาธิก็น้อยลงศีลก็เริ่มน้อยลงไปมีแต่ทานนั้นเป็นเสี้ยเป็นส่วนใหญ่ทำทานกันรักษาศีลนี่ไนมะ่ค่อยอยากจะรักษากันอืมวันนี้มีเหตุารณ์ที่ทงานจบทนแล้วเที่ยงมดเวาทานาา คืย่มากอแต่ถ้ดเราไปเป็นเด mm ็กน้มันก็จะหิวทันทียะยะมันจะเกิดความอยากทันทีคนที่มันเคยมันอูหาไเือมอืมมันก็หิวเลยมเพราะเม่อไหร่อะไรก็ไม่ดกุมัอยไหมพระพุทธเจ้าอกายหาได้ตั้งสี่เก้าวันเเออ ตอน ท, ที่ส่งบาเพ็ญธุระอะไรเนี่ยอ่อ่าก็ส่งแต่ตรงนี้ที่ว่ามันไม่ช่รืนามันคอเร่องความอยากเพราะเราเริไปคิดถึงโดปชื่อจึเกิดความอยากขึ้นมาทันทีเราจึงต้องคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆอ่าให้เพ่งให้เพ่งกระสินก็ได้ให้บริการพุทธก็ได้อ ก็ไม่ทราบพ่อะก็ไม่เคยไม่เคยทําทางนี้คือเราก็ต้องฝึกให้มันคือเราก็ต้องพยายามนึกถึงสีแดงอยู่เรื่อยๆนึกถึงเลือดบ้างนึกถึงเลือดนึกถึงสีแดงแล้วต่อไปสีแดงมันก็จะโผล่ขึ้นมาอ่าก็ทุกทุกอย่างก็ได้หมดนะออ มันอยู่ที่สติมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็นเป็นกรรมฐานผลใดถ้ามีสติดีนี่มันเข้าไปถึงสมาบัติได้นะสติก็เกิอได้เผ า, า, า, า, าสมนี่จะดีถ้าเรานั่งตอนที่เรานั่งเราต้องนั่งแล้วเจ็บด้วยถึงจะดีเอจะได้สมมุติว่าความเจ็บนี้เป็นเหมือนไฟ ที่กำลังเผาร่างกายเราเออจะได้เผาร่างกายเราเพราะดูเผาร่างกายคนอื่นไม่ไม่ดีเท่ากับเผาร่างกายเราเพราะถ้าเห็นว่าเราเผาร่างกายเราแล้วเผาไปจนกรทั่งร่างกายนี้กลายไปที่เท่าไปเนี้ยจิตบางทีมันจะปล่อยวางร่างกายแล้วจิตมันจะแยกออกจากร่างกายไปมันจะเข้าสู่ความสงบเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกุเิของที่ที่เรานั่งอยู่เนี้ยมันจะเป็น เนื้ออันเดียวกันเลยเวลาจิตปล่อยปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าร่างกายถูกพื้นนี่ดูดไปเลยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นไปส่วนจิตก็จะรวมเข้าไปสู่ความสงบเป็นอุเบกขาไปเลยท่านวิีออันน้วิธีที่เราจะต่อสู้กับทุกเวทนาแล้วก็จเจริญวิปัสสนาไปพร้อมๆกันปล่อยวางร่างกายได้พร้อมๆกันปล่อยวางเวทนาไปพร้อมๆกันเลยละสกายทิฏฐิต้องละแบบนี้ ต้องเผาร่างกายไปเลยก็ก็สมมุติว่าร่างกายตอนที่เราเจ็บสมมติว่าความเจ็บนี่เป็นไฟที่เริ่มลุกขึ้นมาเดกภาพอ่าอออ่ที่เราร่างกายเราเนี่ยเป็นเป็นศพแทนแทนแทนร่างแทนศพของคนอื่นเราดูร่างกายเราที่กำลังเจ็บอยู่ตอนนี้ว่ากำลังถูกไฟเผาเหมือนกับคนที่เขาเผาตัวเผาตัวเองประท้วงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เผาตัวเอง โดยใช้ใช้ความเจ็บทุกเวทนาที่เจ็บตรงส่วนนั้นส่วนนี้เป็นเป็นจุดของไฟกำลัง เ, เริ่มเผาร่างกายแลต้องอุเบกขาเห็นว่ากาเจ็บตกใจรู้สึกต้องทํา่งก็ต้องทำถ้าถ้าไม่ทำเงี้ยมันก็จะทำไม่ได้ก็คือให้เรานั่งดูเฉยๆแล้วเราก็จินตนาการเหมือนกับเราเพ่งกระสินไงเราใช้เวทนานี้เป็นกระสิน จำนวนแล้วมเป็นเพลิงเป็นไฟขึ้นมาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วเริ่มลามเผาไปตามร่างกา ย, ยกระทั่งเผาท่วมศีรษะเราไปเลยเผาไปจนกระทั่งรู้สึกว่ามันพอมันไหม้หมดแล้วมันก็ฟุบลงมาอออ่าพอฟุบลงมาปับ๊บมันกลายเป็นขี้เถ้าไปปับ๊บมันก็จะเกิดอาการรู้สึกว่าร่างกายกับพื้นที่นั่งอยู่นี่มันเป็นเนื้อเดียวกัน อ, อ, อส่วนใจนี่ก็ เข้าสู่อุเบกขาแ ท, า น, ท, ทานที่จะทุกจะวุ่นวายกับเย็นสบายมีความสุขเบาเบาใจสงบสงัดมากดูมแยกกายแยกจิตได้อย่างเด็กขาดเลยใช่ไหมแยกกายแยกเวทนาอเข้าไปอันนั้นเราจะเห็นชัดเลยว่าโอ้จิตกับร่างกายนี้เป็นคนละอันกันร่างกายนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของธาตุดิษฐ์ ย า, ม า, าจจไมได้มเก็เหมือนกับกสินไงก็จะเหมือนเป็นดยว่วาแทนที่จะใช้แทนแทนที่จะใช้สีก็ใช้เวทน า, ททาความเจ็บเนี่ยเอาไว้าาอาจนาการให้เป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนกับเป็นไฟกําลังลุกอใช่ถ้าถูกเจริญถ้ามีมีสมถะจะพิจารณาได้ แต่คนที่ยังไม่มีความสงบนี่เขาบอกว่าถ้าพิจารณาความตายแล้วเ็าจะรู้สึกหดหู่รู้สึกจะไม่มีกำลังไม่อยากจะไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพิจารณาเขาบอกว่าถ้าคิดถึงพุทธโธพุทธโธแล้วจะว่าเย็นสบายกว่า อ, อ, อ, อ, อทุกคนก็เหมือนกันนะตอนตื่อาจจะใช้พุทธโธไปก่อน ทำอยังยังพิจารณาความตายไม่ได้ก็ใช้พุทโธให้จิตสงบก่อนพอจิตสงบแล้วเราเริ่มมาหันมาพิจารณาความตายมันจะมันจะดูดดื่มกันมันจ ะ, ะเพราะถ้าไม่ยังไม่มีความสงบนี่กิเลสมันมีกําลังมากกิเลมันจะไม่ชอบไม่ชอบความตายไม่ชอบความเสือ่อมแต่ถ้าจิตมีมีความสงบอยู่บ้างเนี่ย เรมีมากแล้วเนี่ยคัจะพิจารณาความตายได้อย่างสบายใจพอจิตจะฟุ้งซ่านจะโลกจะอยากเลยพอคิดถึงความตายปั๊บมันหายหมดเลยมันหนีหมดเลยถ้าเราแสวงหาความสงบมันจะถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหม คือการแสวงหานี่มีทั้งที่ที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสคำว่าการแสวงหานี่ไม่ได้ไหมายคำว่าเป็นกิเลสไปทั้งหมดถ้าแสวงหาสิ่งที่อยู่นอกใจเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นกิเลสเช่นแสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหาหาอายุยืนยาวนานแสวงหายามารักษาร่างกายนี่ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายถ้าหาอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นกิเลส แต่ถ้าหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเรานี้ไม่เป็นกิเลสอะไรคือถ้าเราหาความสงบนี่มันเป็นของที่มีอยู่ในตัวเราแล้วเพียงดึงใจให้เราหันกลับเข้ามาหาของที่เรามีอยู่ของที่เราไม่ต้องหาให้เรากลับมาหาของของที่เรามีอยู่แล้วท า, า, า, ทท า, าใช่ก็เขาพูดแบ บ, บไม่รู้ไง ก็ความอยากนี่ท่านก็แสดงว่าเรามีแค่สามข้อด้วยกันที่เป็นกิเลสก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นนันเช่นอยากไปเที่ยวอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปดื่มอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าการมาตัญหาภาวะตัญหาก็คืออยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากจะมีที่มากๆมีคอนโดหลายๆหลังมีรถหลายๆคันมีอะไรต่างๆอันนี้ท่านก็เรียกว่าภาวะตัญหา แล้วก็วิภาวะทหนะก็คืออยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ตกอับอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มีแค่สามข้อนี้ที่เรียกว่าเป็นกิเลสปัญหาแต่การที่อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ท่านเรียกว่ามรรคเป็นฉันทะวิริยะคนเรามีความยินดี ในการที่จะหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรานี้ไม่เรียกว่าเป็นกิเลสปัญหาแต่การหาสิ่งที่เป็นโทษกับใจอันเนี้ยเรียกเป็นกิเลสปัญหาเนี่ยเราต้องศึกษาทำถึงเราถึงจะมีข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ศึกษากิเลสมันจะใช้ใช้ใช้เรื่องเหล่าเนี้ยมาคอยมาทําให้สับสนทําให้คนที่อยากจะเข้าวัดอยากจะปฏิบัติทํามไม่ค่าเข้าวัด อันนี้ก็เป็นเกลยอันนั้นก็เป็นเกลยแล้วอะไรไม่เป็นกิีย์นะมันก็ไม่มีชอบว่าคนนัมาีเยอะๆถ้ามีความเข้าใจผิดกันเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติกันแล้วคนที่มาสั่งมาสอนก็ไม่ได้ปฏิบัติอะก็เลย ก็เลยไม่ไม่เห็นคุณค่าของการทําใจให้สงบคิดว่าอฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะ บ, บรรลุได้แล้วก็บรรลุ ก, ก็บรรลแบบุแบบแบบลองตัวเองลองตัวเองว่าตนเองตนเองบรรลุแล้วออ่าอ่าเห็นแล้วรู้แล้วทําตแต่ไม่รู้ว่ากิเลสังมีอยู่เต็มหัวงใจ จริงๆแล้วทั้งโลกเนี่ยเริ่มเรียนนี้ก็กอไก่กอไข่ในทางนี้เนถ้าเริ่มจริงๆน่าจะเป็นเรื่องสติครับในทางปฏิบัติก็ต้องเรื่องสติใช่แต่ก่อนจะเข้าเข้าในทางปฏิบัติได้ก็ต้องผ่านทางทานกติสินก่อนคือถ้าเรายังทําทานคือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติไม่มีเวลาจะมาเจริญสติเพราะเราจะ เอาเวลาไปกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองดังนั้นถ้าเราอยากจะเข้าสู่การปฏิบัติจริงๆเราก็ต้องอยู่แบบนักบวชคือเราต้องหยุดหยุดหยุดการหาเงินหาทองหยุดการใช้เงินใช้ทอง mm hmm. เพราะเราต้องการที่จะใช้เวลาเอาเวลาใช้เวลาอย่างเต็มที่กับการหาความสงบ mm hmm. อันนั้นถ้าเราสละทานได้อย่างครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่าน าอาหารทั้งหลายเนี่ยท่านสละหมดเนี่ยทานคำว่าทานก็คือให้ให้หมดเลยเนี่ยไม่เก็บเอาไว้เลยแล้วก็ไปไปบวชกันหรือไปอยู่แบบนักบวชถ้าบวชบวชเป็นพระไม่ได้เนี่ยเช่นสุภาพสติก็ไปไปไปบวชเป็นแม่ชีอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ลหละต้องใช้การเจริญสติแล้วเพราะตอนนี้ไม่มีงานอย่าง อ, างอื่นจะมาคอยรบกวนละ ตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติเลยถ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติแนวของสติปัฏฐานสี่คือคือว่าร่างกายแล้วเราต้องจเจริญสติอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่จะอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องก็คือร่างกายของเราถ้าเราเอาใจผูกไว้กับร่างกายเฝ้าดูร่างกายอยู่ทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวเราก็จะมีสติคือเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่น หรือถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเราก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปซึ่งอาจจะเหนื่อยถ้าบริกรรมไปสัตระยะหนึ่งแล้วมันก็อาจจะเหนื่อยไนดะ้เราก็เอามาใช้เอามาใช้ร่างกายดูเฝ้าดูร่างกายท่นั่นเองให้ใจอยู่กับร่างกายให้ดูการเคลื่อนไหวาการกระทําต่างๆของร่างกายใจก็จะไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่นได้ใจก็จะอยู่ปัจจุบันถึงที่เราต้องการก็คือให้ใจอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ อันนี้ท่านก็จะสอนให้เจริญสติปัฏฐานสีกายกตาสติก่อนนี่ยใชพอเราตื่นขึ้นมาลืมตาก็เฝ้าดูเลยตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบทใดกําลังนอนอยู่ใช่ไหมกําลังจะลุกขึ้นมาใช่ไหมกาลังยืนกําลังเดินกําลังจะไปทําภารกิจร่างหน้าร่างตาก็อยู่กับภารกิจต่างๆนะทุกทุกอริยาบทของการเคลื่อนไหวเลยอย่างนี้ก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะไม่ลอยไป รอยมามันก็จะอยู่กับที่เดียวอยู่กับที่ร่างกายพอไม่มีภารกิจต้องทำล้วก็นั่งหลับตาก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปอก็เป็นกายกายยกัดเป็นอนาปนานสติถ้าดูลมไม่ได้เพราะว่าใจคิดมากก็จะใช้การบริกรรมมาช่วยก่อนก็ได้หรือจะใช้การบทสวนบนเมื่อให้ใจคิดในในเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา เช่นท่องบทพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งก็ได้ให้ใจมีงานทําไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจสวยไปสักระยะหนึ่งนล้วรู้สึกอยากจะหยุดสวยก็หยุดได้สงบแล้วก็ดูลมต่อได้พอดูลมต่ออย่างต่อเ น, นื่องลมก็จะเข้าใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นขั้นต้นคือการเจริญสติกับการเจริญสมาธิ พอเราได้สมาธิแล้วทีนี้เราออกมาแล้วก็พิจารณาร่างกายได้แล้วตอนต้นก็ศึกษาว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันเนะี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ให้ดูอาการสาวสิบสองให้ดูว่าอาการร่างกายที่พักนี้ส่วนประกอบอะไรก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกันถูกร่างกายพิจารณาว่ามีตัวตนหรือเปล่าผมมีมีตัวตนหรือเปล่าขนมีตัวตนหรือเปล่ามันก็ไม่มีมันก็เป็นอาการต่างๆ เราลองแยกมันออกมากองว่าเป็นกองๆหนึ่งก็เหมือนชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยเวลาไม่ได้ประกอบกันมันก็ไม่ได้เป็นรถยนต์แต่พอเอามาประกอบกันขึ้นมามันก็เป็นรถยนต์อาการสา32ถ้าเราแยกออกไปมันก็เป็นเพียงชิ้นส่วนพอเรามารวมกันขึ้นมันก็มาเป็นร่างกายแต่ร่างกายนี้มันก็เป็นเพียงส่วนประกอบของชิ้นชิ้นส่วนต่างๆมันไม่มีตัวไม่มีตนตัวตนนี้เกิดจากใจไปให้ ให้ความความหมายเองอไปสมมติขึ้นมาเองว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราสมมติแบบไม่รู้สึกตัวหลงมาแบบไม่รู้สึกตัวเราต้องมาแก้ความหลงอันนี้เพื่อให้เห็นชัดๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ แล้วให้กิจารณาดูตอนที่ร่างกายตายแล้วจะเป็นอย่างไรสมัยก่อนเขาไม่ได้เอาไปเผาเขาไม่ได้ทํำงานศพกข้าไปทิ้งในป่าช้าก็สมัยก่อนท่านค่า้สอนไปเยี่ยมป่าชา้าไปดูซากศพในสภาพต่างๆศพที่ตายไปแล้ววันหนึ่งบ้างสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างศพที่ถูกสุนัข ก, กัดแขนขาไปทางหนึ่งบ้างศีรษะไปทางหนึ่งบ้างอะไรเหล่านี้ให้เรา พิจาให้เห็นความจริงว่าร่างนี่คืออนาคตของร่างกาย อ, อไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งพอตายแล้วเราก็เอาเข้าโรงแล้วเราก็เอาเข้าเตาเผาพอาเอกจากเตาเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้ากับเศษกระดูอะอะอะกอ่มันก็มันก็เหมือนกันกเืือออาางงพตตสิี่ ใช่ศพเชนิตเอ่อสิบสิบใช่อมีสิบขั้นตอนอกจากนั้นถ้าเราดูกายเราไม่เห็นว่ากายคนอื่นก็สามารถเป็ได้ก็ดนต้องดูทั้งค้องของเขาะของเราเพราะเหมือนกันถ้าเราดูแต่ของเราเราจะคิดว่าเราตายคนเดียวอถ้าเราดูคนอื่นเราก็จะคิดว่าคนอื่นตายเราไม่ตายถ้าเราเนี่ย ต้องรู้ว่าต้องรู้ว่าทั้งเขาทั้งเราเหมือนกัน<แ>หัว อ, อกเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีข้อ ย, ยกเว้นไม่มีใครเป็นยกเว้นทั้งนั้นจะต้องเป็นเหมือนกันหมดก็การเดินตบกรมนี่จะสามารถทาให้ได้คือคิดรวมได้ได้เหมือนกันแต่จะไม่รวมแบบเวลานั่ง เวลารวมันจะรวนแบบยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ใจมันจะเป็นแต่ใจมันจะเป็นอุเบกขาอยู่มันจะเย็นจะสบายจะเบามันสงบอุเบกขานี่ก็ดีเป็นข้อสุดท้ายของสามโพชองมันก็เป็นเป็นทำทำอันหนึ่งที่เกิดจากการนั่งสมาธิเวลาจิตสงบก็จะเป็นอุเบกขาอุเบกขานี่เลยถือว่าเป็นหนึ่งในโพชง ก็เคยจะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สติต้องมาก่อนนะส ต, ติแล้วก็ปัญญาธรรมวิจยาก็ปัญญาการไข้ควรวิทยาก็คือความภาคเพลินมันก็จะมาสุดท้ายมันก็จะมาลงที่อุบเบกขาเพราะว่าเราต้องปล่อยวางทุกอย่าง ไม่เลี้ยวว่าถึงไม่ดีดีสิไรก็อไม่มีอะไรกับสิ่อะไรนเฉยเฉยเฉยเฉยจริงๆเอเป็นเลยธรรมชาติะไม่ต้องบังคับให้มันเฉยเมือนเฉยโดยธรรมชาติของมันเองอมันปล่อยว่าตอนต้องก็ต้องบังคับมันก่อนเช่นบังคับด้วยสติมันถึงจะเฉยได้ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันก็หิวก็อยากขึ้นมามันก็จะ ต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้ามันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจมันว่างมันก็จะเฉยอญาติเรียนถามอจารย์ว่าการที่ปฏิบัติขุนปฏิบัติแล้วจะขุนเป็นเป็นที่ว่าเรามักฝนาะกรต่างมันต้องมีประจัยจากอันใสเดิมที่มีมาจากจากในอดีตการเรียนถ้าถ้ามีมันก็ง่ายขึ้น ถ้าถ้าถ้าไม่มีมันก็ยากหน่อยกในการปฏิบัติธร น, น้างนธรถ้าเราพยายามุชาแต่ถ้าเราไปาไปพิกทางหรือ ไ, ไปลงอะไรากยัทําราช้าขึ้นไปนาอาหอาจจะราช้าแบบพระเทวทัพนี่นั่นก็หลงขณะได้ศึกษาได้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็ยังหลงได้หลงตอนนี้ก็ยังอยู่นรกอยู่ น, นั่นถ้าหากว่เราเออได้ ไปเจออวชาปล่นขอไปชอบเป็นกานกลาเพื่อนไปผงเวลาีก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์เป็นหลักถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ว่าอะไรอย่าไปขืนอย่าไปขัดถ้าไปขืนไปขัดก็เท่ากับแสดงว่าเราไปไปผิดทางน ะ, ะนี่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริง แต่ถ้าเป็นคูบาจารย์ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงอย่างกรูบาจารย์ขององค์ุลิมาญอย่างนี้ก็สอนให้ไปผิดทางได้หลอกให้องค์ุลิมาญไปฆ่าคนว่าถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องไปฆ่าคนมาหนึ่งพันคนแต่ก็ยังโชคดีไปเจอของจริงไปเจอพระพุทธเจ้าเขา้าพระเจ้าก็เลยมาแก้ให้แก้ความหลงขององค์คุลิมาญโดยการสแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาร ผมก็เรียงงานพยายามวิ่งไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันจนต้องตะโกนออกไปว่าให้หยุดเถิดท่านผมวิ่งไล่ตามไม่ทันนพระเจ้าก็ตอบว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดผมคเคยรู้ว่าก็เลยเอกใจขึ้นมาครับใจท่าไว่ท่านหยุดเนี่ยทําไมที่หยุดแล้วทําไมเขาวิ่งไม่ทันนพระเจ้า ก, ก็บอกว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงหยุดจากความอยาก เขาก็เลยได้สติขึ้นมาว่าการที่เราจ ะ, ะเป็นผู้พิเศษได้เราต้องหยุดความอยากต่างก็เลยได้ได้พระพุทธเจ้าช่วยทําให้ไม่ต้องไปตกนาลกก็ปฏิบัติหยุดความอยากก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ส่วนพระเทวทัตไม่เชื่อพระพุทธเจ้ากับต่อสู้กับพระพุทธเจ้า พยายามที่จะทําร้ายพระอุตตรยาเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ทําตามที่เทวทัตต้องการเทวทัตต้องการเป็นใหญ่เป็นโตคิดว่าตนเองมีเป็นผู้วิเศษมีอิที่ลิบปาฏิหารเป็นผู้ที่เหมาะต่อการที่จะเป็นผู้ปกครองสงฆ์หน่อยขออนุญาตพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าแต่แล้วอายุมากแล้วควรจะอ อ๋อี่ได้แล้วควรจะให้คนที่มีหนุ่มมีไฟแรงขึ้นมาพระเจ้าก็ตอบว่าขนาดมวกกรานะกับสารีบุตรเรายังไม่ได้ตั้งให้เป็นผู้ปกครองสมมูนแล้วเธอมเป็นใครพูดอย่างนี้ก็กดแค้นกดเครืองก็พยายามโปร่งประชนึงสามครั้งด้วยกันการมันนี้ถึงทำให้ต้องไป ต, ไปตกนรกอยู่ในตอนนี้ แต่เนื่องจากบุญที่ได้มาจากการมาบวชมาเจริญสมาธิได้ฌานได้อิทธิฤทธิ์นี้ก็ยังมีอยู่พอหลังจากที่ได้ใช้กรรมหมดแล้วพอกรับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้ปฏิบัติธรรมต่อแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าต่อไปอย่างแต่ว่าต้องเสียเวลานานหน่อย้ในสมัยนี้มันมีสมีมีัมมมสืบมอม ท, ท, ที่มันทให้ไสยมันเยอะ ควรจะอ่านการละเมสูตรไหมพระเจ้าสรงแสดงไว้คอยดักไว้แล้วเนี่ยว่าอย่าไปเชื่อสิทธิประการด้วยกันอย่าไปเชื่อเพราะว่าคิดว่าเขาพูดแล้วมันน่าเชื่ออย่าไปเชื่อเพราะคนเขาล่ำเลยกันว่าว่าว่าน่าเชื่อนี่แม้แต่ว่าอย่าไปเชื่อว่าเขาเป็นครูครูเป็นอาจารย์เราก็ไม่ให้เชื่อท่านบอกว่าให้ฟังหูไว้หู เขาพูดอะไรแล้วเราต้องเอาไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนี้เอาไปดับความทุกข์ได้หรือไม่ต้องการแค่นี้ให้รู้ว่าดับความทุกข์ใจได้หรือไม่หยุดความอยากได้หรือไม่ถ้าสิ่งที่เขาสอนไม่ได้ทำให้เราไปหยุดความอยากดับความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ใช่ทางนั้นแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนที่ก่อนจ ะ, ะ, ะเด็จดับกันปริณิพาน์ก็มีปริภาชกจะมาขอถามปัญหา อ่คือมีความสงสัยว่ามีคนสอนเยอะแล้วเกินมีลัทธิต่างๆสอนวิธีให้หลุดพ้นให้บรรลุ ก, กันเยอะแล้วเกินแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเอาลัทธิไหนถึงจะเป็นลัทธิที่ถูกต้องพระเจ้าก็บอกว่าคำสอนใดก็ตามถ้ามีมากเป็นองแปดคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้ององคนก็ไม่ได้ส่งบอกต้องเป็นคำสอนของเราเดี๋ยวนี้ สมาสมาที่ไม่เอากันโยนไปมันไม่ต้องไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งหลับตาเพราะมันยากแล้วก็จะไปติดสมาธิว่าไปโน่นอีกให้เจริญปัญญาเลยให้ใช้ปัญญาก็เลยมีการบรรลุแบบเทียมกันบนรรลุกันแบบ อทานคนต่างคิดว่าตนเองบรรลุเออ่คนนี้เป็นสวัดาบาดรับอาอารองพระอรหันต์ก็มีใช <c oughs> ่ี <c oughs> ไหม อาได้อ่าเจริญพ อ, อวันธรรมดานี่ลูกศิษมาไปมากมา ก, ก็ไม่มากเหมืนวันเสาร์อาทิตย์มีน้อยอมาวันธรรมดาก็ได้สนทนากันนานหน่อยอ ร่างกายอาจจะหลับแต่ใจอาจจะไม่หลับก็ได้ใจมีสติรู้อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไระการรู้เรื่องราวแบบนี้ก็เป็นเป็นความรู้ที่ไม่สำคัญอะไรรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้สิ่งที่เราต้องรู้อย่างเดียวคือว่ารู้ว่าใจเราทุกข์หรือไม่แล้วก็รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากในเรื่องอะไร แล้วเราหยุดความอย่างนี้ได้หรือเปล่าท่านี้ที่เป็นประเด็นสําคัญส่วนจะรู้เรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเป็นความรู้เออเป็นความรู้ผสมขึ้นมาให้เรารับรู้เฉยๆไนดะ้บ้างอคือรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับการดับความทุกข์เราก็ไม่ต้องให้ความสําคัญกับเขารู้แล้วก็ปล่อยวางไป เอาความรู้ที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจหยุดความอยากภายในใจได้จะดีกว่าก็ค em> ือรู้ความเสื่อมรู้ความไม่เที่ยงรู้ว่าเช่นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายไปนลนอนหลับแล้วเราฝันว่าเราตายไปแล้วแล้วเราทำใจได้ตายก็ตายไปอันนี้ก็ดีเน่ก네็ถ้าเราถ้าเราทำใจได้มันก็ทำใจได้ ิ่งที่เราต้องการก็เพื่อทำใจให้ให้สงบไม่ให้ทุกข์กับการเป็นไปของร่างกายเท่านั้นเอง คิดถึงว่าพุทธเจ้านล้วทุกคนนั้นตามรู้ทั้งหมดนี่มาจากพระพุทธเจ้าเั้านั้นเนี่ยออะไรรู้้ีกันอกกแร็ได้ยินมาจากพระพุทธเจ้าอีกต่อนหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็ไม่มีวันที่จะมีวันนี้อยู่ได้เราพวกเราก็คงจะไปหาวิธีดับทุกโดยการไปประกอบพิธีกรรมต่างๆอื คือการฟังเทศนี้มีประโยชน์ได้สองสองแบบคือได้สมาธิหรือได้ปัญญาได้สมาธิก็คือใจเราจดจ่อกับเสียงที่เราฟังอยู่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่สนใจฟังไปเรื่อยๆให้ใจเกาะติดอยู่กับเสียงเทศที่เราฟังอยู่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิได้ถ้าเอามาคิดก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา อันนี้ก็ถ้าถ้าคิดก็จะได้ปัญญาแล้วก็จะได้ความสงบด้วยพอเวลาใจได้ปัญญามันก็จะระงับความความคิดต่างๆล้วก็ความอยากได้มันก็จะสงบได้เ น, นี่ยอนิสงส์ของการฟังธรรมนี่นก็สแสดงไว้มีอยู่ห้าประการคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นแล้วก็จะทำให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆได้ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องก็คือปัญญาทำให้จิตสงบผ่องใสอ๋อไม่มีโทษหรอกนอกจากฟังแบบทักีในหม้อแกง <c oughs> ฟังไปแล้วก็ใจลอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงเรื่องงานคิดถึงเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องอะไรหนึ่งต อันนี้ฟังแบบเป็นทัพพีในหม้อแกงเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่เข้าไปในใจเลยถ้าเป็นทัพพีก็ไม่รู้ว่าอยู่ในแกงหม้อไหนแกงนั้นมีรสชาติอะไรบาค้งโยมสับสนว่าองอาจารย์บอกว่าี่อ้ามฟังก็มีบาดเเดียว่ม้เรื่องาม่นันมันมีสามขั้นไงมีปริยัตมีปฏิบัติมีปฏิเวท ถ้าไม่มีปริยัก็จะปฏิบัติไม่ถูกถ้าปฏิบัติผิดก็จะไม่มีปฏิเวทเ้นต้องฟังก่อนต้องศึกษาก่อนที่ทก็พูดให้ยินเข้าใจท่านท่านก็สอนอยงนี้แต่ว่าให้ฟังให้เข้าใจแล้วตอน้องหลับเนี่ยที่เขาเขาถามเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าระศึกษามยาปัญญาออกษามยาปัญญาแล้วก็ปัญหาันนั้นอสุยากศึกษาอันที่ฟังก่อน ต้องฟังก่อนต้องรู้ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรอเหมือนเราทำกับข้าวเนี่ยถ้าเราทำไม่เป็นเราก็ต้องไปศึกษาก่อนจะทำอาชีพนี้ต้องทำอย่างไรอฏิบัติธรรมแล้วไม่เป็นรรมเหมือนการไปดูแผนที่ก่อนจะเดินทางไปในที่เราไม่เคยไปเราก็ต้อง หาแผนที่ดูก่อนมันก็บอกบาคนก็บอกว่าอ่านเมื่อก็ต้องเมื่อสงสัยมากอะไรนะคนี่หมายถึงว่าอ่านอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไงอ่าไมอย่างอ่านมากก็คือไม่ปฏิบัติเลยก็ให้อ่านพอพอสมควรพอให้รู้ว่าเราต้องทำอะไระแล้วตอนนั้นเราก็ต้องก็ต้องปฏิบัตินะพอปฏิบัติไปแล้วเกิดติดอะไรก็กลับมาอ่านใหม่ คือการการศึกษาและ ก, การปฏิบัตินี่ไม่จะต้องไปควบคู่กันไปเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะเรียกประชุมด้วยเป็นระยะสีห้าวันห้าหกวันท่านจะเรียกประชุมครั้งนึงเรียกมาอบรมครั้งนึงเพราะว่ามันฟังไปแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็ลืมต้องมาซ้ำใหม่พูดซ้ําใหม่เรื่อยๆอพอฟังฟงบ่อยๆเข้ามันก็จะเข้าใจดีขึ้นนึกขึ้นกว้างขึ้น วิธีวิธีปฏิบัติก็จะรัดกลุ่มขึ้นจะจะตรงต่ อ, อต่อการปฏิบัติตองต่อความจริงมากขึ้นผลก็จะปรากฏขึ้นมามใช่ถ้าเราไม่ไม่พัฒนาหนังสือที่เราอ่านเราก็เราก็จะ มไม่ได้รับประโยชน์เพราะาบางทีมันเหนือมันอยู่เหนือกว่าความสามารถของเราที่เราจะไขว้คว้าถึงได้เราต้องยกระดับจิตของเรายกระดับความสามารถของเราให้สูงขึ้นไปด้วยการปฏิบัติอใช่เราจะได้รับประโยชน์อาการไม่พอดีอันนี้คําถามรองสุดท้าย วันนั้นน้าได้ลองส้ายสุดท้ายไปแล้วคุณนี้เจ้าแห้่นี่มันเป็นรองสุดท้ายในทางโลกเนี่ยเราได้จากทางปฏิบัติและในทางทฤษฎีเนี่ยมาทั้งสองทางในทางธรรมะเนี่ยมันจะเป็นทางหลักปริยัติก่อนด้วยก็ต้องทฤษฎีก่อนไงทฤษฎีปริยัตินี้ก็คือทฤษฎีแล้วก็นําไปปฏิบัติความจริงทางโลกก็ต้องทฤษฎีก่อน ให้เราเรียนวิศวะก็ต้องศึกษาทฤษฎีก่อนแล้วเราก็ออกไปพิสูจน์ตามที่เราบาอย่างล้วก็จากจากการปฏิบัติก่อนแล้วเราถึงไปทําเป็นกายมาเป็นว่า เ, เราไปทสรบว่าันจะเป็นทฤษฎีได้บางอย่างาไ่ได้ก็อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครไม่มีทฤษฎีท่านก็เลยต้องปฏิบัติหาหาความจริงพอท่านได้ความจริงแล้วท่านก็เอามาสอนคนอื่นเป็นทฤษฎีไปเเอช่านท่านทรงก้นพระอริยสัจสีนี้ก็ไม่มีทฤษฎีสอนท่านมาก่อน ท่านก็เลยต้องหาจากการปฏิบัติจนท่านได้พบทฤษฎีอันนี้ว่า อ, อ๋อนี่คือความจริงอริยสัจสี่เส็จแล้วทีนี้ทา่านก็ามาสอนคนอื่นมันก็กลายเป็นทฤษฎีสําหรับคนอื่นต่อไปดังนันก็ได้ทั้งสองทางถ้ามไม่มีทฤษฎีก็ต้องปฏิบัติหามันให้เจอเมื่อก่อ น, นไม่มีทฤษฎีในโลกนี้ไม่มีใครมีความรู้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ต้องค้นคว้าหากันเองใช่ไหม ทำไมลูกแอปเปิลมันอยู่ดีดีมันทั้งร่วงลงมาถ้ามันไม่รอยขึ้นไปไเขาก็เพราะว่าออมันมีแรงดึงดูดของโลกอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็มาสอนกันว่าคนรุ่นหลังมาก็ไม่ต้องมาคิดให้เสียเวลาเอาทฤษฎีมาใช้ได้เลยมาปฏิบัติได้เลยงั้นถ้าไม่มีทฤษฎีอยู่แล้วก็ต้องต้องปฏิบัติหามันเช่นในยุคต่อไปเช่นยุคของภระรีอ่านเนี่ยจะไม่มีอริยสัจสีเหลืออยู่แล้วนี้ก็ภพ ร, รีอ่านก็จะต้องมา ปฏิบัติหาอริยาสาัจสให้เจอพอเจอแล้วท่านก็จะเอามาสอนคนอื่นต่อเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเองสิ่งที่ท่านสอนก็เลยกลายเป็นทฤษฎีไปแล้วคนที่ฟังก็เอาไปปฏิบัติทีในพิสูจน์อีกทีพอพิสูจน์แล้วก็จะได้เห็นผลขึ้นมาแล้วก็จะเอาทฤษฎีนี้มามาเผยแพร่ต่อให้กับคนเอง ขอให้พยายามปฏิบัติกันนะเวลาเหลือน้อยลงไปเรื่อยเดี๋ยวเดี่ยวทิ้งเลยเลย แต่ความควบคู <ries Four> ่จะเยอะนะเดชเชนเชนได้ง <t ries to argue> ่ายสบาย